แนะนำบทอัลอัสบทอัลอัสเป็นบทมักกิยามีสามองค์การบทได้มาในรูปแบบที่สั้นแต่ชัดเจนทั้งนี้เพื่อชี้แจงสาเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และความสําเร็จของเขาในชีวิตนี่หรือการขัดทุนและความวิบัติของเขาเอาลัลลอฮ์ทรงสาบานด้วยเวลาอัสซึ่งเป็นเวลาที่ชีวิตของมนุษย์จะสิ้นสุดลง และสิ่งที่ในการเวลานั้นมีความแปลกประหลาดหลายชนิดและบทเรียนมากมายที่บ่งชี้ถึงเดชานุภาพและปรีชาญาณของอัลละฮ์โดยที่มนุษย์นั้นอยู่ในสภาพการขาดทุนและลดหลั่นอยู่เสมอเว้นแต่ผู้มีคุณลักษณะสี่ประการกล่าวคือการอิม่าหรือการศรัทธาและการการะทำความดีและการตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และการตักเตือนกันให้มีความอดทนซึ่งเป็นมูลฐานของความประเสริฐและเป็นรากฐานของศาสนาด้วยเหตุนี้เองอิหมัมชาฟีรอฮิมาฮุลโลได้กล่าวไว้ว่าหากอาลัลลอฮ์ไม่ประธานสิ่งอื่นนอกจากบทนี้ก็เป็นการพอเพียงสำหรับมนุษย์แล้วิิสมลาหรร ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, อสสขอสาบานด้วยเวลาแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนสส ق ق นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและการการะทำความดีทั้งหลายและตักเตือน ซึ่งกันและกันในสิ่งที่เป็นศัจธรรมและตักเตือนซึ่งกันและกันให้มีความอดทน